บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนของการตั้งสติระลึกรู้ดูอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสแล้วเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ก็สงสอนให้รู้ความจริงตามสมควรแก่ขณะของอารมณ์หลานั้นซึ่งตามปกติแล้วการจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานในด้านจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญหมายความว่าเขาเก็บความรู้สึกตัวอารมณ์หลานั้นไว้ในฐานะอะไรมาก อาการควงกิเลสประเภทนั้นก็จะเกิดขึ้นได้มากแต่าการเกิดเองก็ไม่ได้เรียงลําดับตามที่ท่านเรียงไว้ในภาษาบาลีการเรียงในภาษาบาลีเนื่องจากมันกินพื้นที่มันก็ต้องเรียงลาดับกันมาจากนั้นแต่ว่ากิเลสเกิดภายในใจค น, นก็เกิดตามลักษณะอารมณ์ หมายความสภาพจิตของเราในขณะนั้นๆและอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นๆและการกําหนดอารมณ์ของเราในแต่ละขณะภาพเดียวกันนั่นเองคนมองมองจากพื้นฐานจิตที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าคนเดียวกันแต่มองคนละขณะกันเราจะเห็นว่าความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นจะไม่เหมือนกัน แม้จะมองด้วยความรักบางครั้งความรักอาจจะเพิ่มขึ้นความรักจะคงจุความรักจะลดตกหรือแม้มองด้วยความโกรธหรือมองด้วยริ์สยาอาคตาิหรือมองด้วยเมตตากรุณาก็าจะมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในกรณีนี้ทรงสอนให้มองในรูปของกิเลสถึงสังเกตว่าการมองการสอนให้มองในรูปของกิเลสนั้น ถ้าจะเอากันตามโครงสร้างจริงๆมองกิเลสแต่ละข้อที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วมองสืบสาวลงไปว่าอาการกิเลสเหล่านั้นขณะนี้กรารก่อนหน้านี้ไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นภายในจิตเราได้ยังไงก็ศึกษาสืบสาวถึงตัวเหตุที่เกิดกิเลสข้อนั้นๆ เราศึกษาต่อไปว่าการกิเลสเหล่านั้นที่บพงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถจะลดละให้จางไปคลายไปมันเข้าไปด้ววิธีใดก็พยายามศึกษาหาวิธีเหล่านั้นแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแต่การปฏิบัติบางระดับเป็นการสงบกิเลสไว้ชั่วคราวตำนองกับการรักษาโรค โรคอย่างเดียวกันในชีวิตคนมางคลก็อาจจะเป็นโรคคันงเป็นสิบๆครั้งก็แสดงว่าโรคมันสงบออไปแต่ไม่ได้ความหมดโรคมันมีเหตุปัจจัยเกิดแก่ก็เกิดได้อีกพวกกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามมันก็มีลักษณะเองกันที่จริงในชีวิตประจําวันของบุคคลแต่ละคน เราก็ใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้เมตตาคุณาเป็นต้นก็สงบ ก, กิเลสกันไปได้มากบางน้อยบางและมีเป็นไม่น้อยที่สงบได้ดขาดไปจริงในขณะนั้นๆแต่ในการต่อมาพอเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมาใหม่ห ร, รุนแรงกว่ากิเลสรั้นก็เกิดขึ้นมาได้อีกและอาจจะเกิดขึ้นรุนแรงกว่านั้น แม้แต่การระ ง, งบส ง, งบระดับของการเจริญสมาธิในตราบใดที่ใจเราเป็นสมาธิอยู่กิเลสต่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมดไปมีอะไรมากระแทกกระทันทางประสาทสัมผัสกิเลสล่านั้นก็เกิดขึ้นอีกและบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดขึ้นรุนแรงเกิดรุนแรงกว่า ตอนที่ตนไม่ได้สมาธิโดยซ้าไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะเก็บกดไว้ภายในคือกดไว้ภายในกล้ๆก็อั้นไว้ภายในพอถึงจุดหนึ่งมก็ระเบิดออกมาเราจึงพบพระภิกษุบางรูปในสมัยพุทธกาลบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานไปแล้ว หมายความว่าถ้าไม่เจออารมณ์กระแทกแรงๆเนะี่ยท่านก็ไม่มีอาการของกิเลสปรากฏภายในใจแต่พอเจอแรงแรๆข้าส่วนมากจะเป็นพวกราคะพวกโทสะคือกระตุ้นให้เกิดราคะให้เกิดโทสะให้เกิดโลภะแต่ต้องกระตุ้นแรงๆแต่คุณธรรมภายในใจที่เรียกว่าฌานมันก็เสื่อม ซึ่งคนนี้ท่านประชาชนทั้งหลายเห็นว่ามันก็สะมันก็บ่อที่มีน้ำสะอาดจุแต่ถ้าใครไปเปิดน้ำสุกปกลงไปในสะนั้นมากมากสะนั้นก็กลายเป็นสะน้ำขุนไปได้แล้วจะขุนกว่าเดิมได้ทั้งไปจิตใจของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเร่งการปฏิบัติส่วนใหญ่มันก็แกว่งอยู่ในสองจุดตรงนี้ ดจุดซีสสงบได้เป็นขณะขณะและ้วสงบได้หรือกำบังของสมาธิกำบังฌานนั้นที่จริงก็ทำได้ไม่มากก็แสดงว่าไม่อาจวางใจได้ว่ากิดเลสตดนั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะกิเลสไปละที่ละไปแล้วจะละได้เด็ดขาดจริงๆที่ทรงสอนในศึกษาในช่วงหลังว่า กิเลสที่ลาบไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยวิธีใดก็ศึกษาถึงวิธีนั้นการระดับนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามองอริยพรกอย่างน้อยถ้าระดับศีลที่สมบูรณ์เราปฏิบัติในบทบัญญัติของศีลที่สมบูรณ์ได้ก็กิเลสอย่างน้อยก็สามข้อเราก็ตัดไปได้ คือสกายาติเิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนหรือเป็นตัวเป็นตนหรือแบ่งพวกแต่งพ้องกันและความเรียบแกร่งสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพรัตนาใจเป็นต้นต่ตถึงการถือมั่นโดยศีลในวัตถุข้อปฏิบัติที่งมงายร้ายเหตุผลหรือแม้แต่บางเรื่องก็ดี แต่เราก็มีการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นและปฏิเสธสิ่งอื่นที่สำนวนบาลีตั้นใช้คำว่าอย่างนี้ท่า น, นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแสดงว่า เ, วเป็นอาการของทิฏฐิเป็นอาการของโมขันแล้วก็พร้อมจะเกิดโทสะคือถ้าใครไม่เห็นตามตน เ, เองก็เกิดโทสะแต่ถ้าคนที่ศีลสมบูรณ์จริงๆก็จะสามารถตัดตรงนี้ลงไปได้ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการที่มีศีลสมบูรณ์นั้นแสดงอย่างอื่นมาสมบูรณ์ด้วยอย่างยกตัวอย่างว่าน้ําเศษน้ําที่ทาบประชิตหรือท่าเป็นจันทร์มันเต็มเต็มฝั่งก็แสดงว่าข้างบนแถวยุทธยาเป็นต้นว่าเต็มฝั่งแถวปากน้ําก็เต็มฝั่งเพราะการเพิ่มจึงไม่ได้เพิ่มเฉพาะตรงใดตูมหนึ่งมันเพิ่มเพิ่มด้วยกัน การที่เราเพิ่มศีลขึ้นมาจนกลายเป็นศีลสมบูรณ์แสดงว่าส่วนหนึ่งมันก็เพิ่มศรัทธาขึ้นมาที่สมบูรณ์ตอนคนระดับศีลสมบูรณ์นั้นศรัทธาขเขาจะไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยที่เกี่ยวกับไตรสิกขาแม้มีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ออกมาในรูปไม่ดี ดีใจก็จะไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่ามันแยกกดของกรรมได้คือมองเห็นชัดเจนว่าคนเราแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของของตนมันกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปสมมติว่ามีข่าวพระทำไม่ดีไม่งามยังไงก็ตามก็เรื่องของท่านรูปนั้น แล้ที่จริงเราก็ไม่รู้จักท่านรูปนั้นหรือแม้จะรู้จักก็ไม่ได้เกี่ยวกันไม่นัดกันมาสู่โลกนี้แล้วไม่ได้นัดกันจากโลกนี้ไปแต่ขณะอยู่ในโลกนี้ก็อาจจะรู้จักกันอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ในขณะเดียวกันต่างคนต่างก็อยู่โดยกรรมลังตัวเองต่างคนต่างหายใจต่างคนต่างกินอาหารต่างคนต่างทํางานก็ เ, เป็นการแยกออกจากกัน จิตใจของท่านก็จะไม่หวั่นไหวแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เกิดเมตตาสงสารต่อบุคคลตนนั้นแ่นี่จะไปซ้ำเติมจะไปเหยียบยำ่ำจะไปแสดงอาการดูอาการดูถูกดูหมิ่นรังเกียรตท่านก็ไม่แสดงอาการเหล่านั้นทัานนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็ละความเห็นเป็นเป็นเตื้อตัวถื้อตนตืตตตเราตืเขาได้อย่างจริงๆ คุณธรรมคือความเมตตากุณามันก็ซ้อนขึ้นมาตรงนี้เป็นการยืนยันทุกจุดของสภาพจิตเราะมื่อจิตท่านเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับอาการต่างๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันของเราเช่นรับประทานอาหารอิ่ มันก็ไปยันที่ว่าความหิวก็หายไปด้วยแรงก็มีเพิ่มขึ้นไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากความหิวก็หายไปด้วยความไม่สบายที่สืบเนื่องมาจากความหิวก็หายไปด้วยและม้แม้แต่พวกโมโหหิ ว, วอะไราตามก็หายไปด้วยเพราะถ้าเราลองดูว่าหลังจารรับประทานอาหารไปเสร็จได้อิ่มแล้วนี่อะไรมันเกิดขึ้นบ้างจะเห็นว่ามากมายกายกองระเกิด แต่พวกนี้มันเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรแต่บางคราวท้าต้องการจะพูดท่ก็ชี้อย่างวิชาการในปัจจุบันให้เราสังเกตจริงเราก็เดินเราก็วิ่งเราก็นั่งเราก็นอนเราเคลื่อนไหวก็ดูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้กลับ ม, มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาวัดมาดู ว่าเวลายกขาอย่างนั้นอาการอาวัยวะต่างๆามัมีอยาความเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครยังไม่นำมาอาาัฐาอธิบายชี้แจงเท่านั้นเองถ้าถามว่าพุาทธศาสนาชี้แจงหรือเปล่าโบชี้แจงไว้โดยละเอียดแต่เป็นการศึกษาระดับอภิธรรมระดับพวกวิสุทธิพัจจกเราก็เรียนในเรื่องนี้ จะยกมือทีนึงอะไรมันเคลื่อนไหวปะดินน้ําลงพอยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงภายในร่างกายของเราประสาทสัมผัสส่วนไหนมันมันกระทบกันยังไงไอะไรแต่จะอธิบายไว้โดยละเอียดทั้งๆ ท, ที่อธิบายหรือไม่ที่บายมันก็เป็นอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปศึกษาไปพินิจพิจนารณาแล้วจะเห็นเรื่องความต่อเ น, นื่อง เจนกระบวนการของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎของปัจจยาการคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและในขณะที่ศรัทธาเ็เกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์นี่ก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเหล่านั้นถูกละไป ถามวากีลเลยเรานั้นยังมีอยู่ศรัทธาจะมั่นคงได้ไหมมันก็ตอบออกมั่นคงไม่ได้มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับเรายังป่วยอยู่เราจะแข็งแรงไม่ได้ปอดอาการป่วยอาการไม่มีเรี่ยวแรงอาการหิวโหยอาการหงุดหงิดทางร่างกายอาการหงุดหงิดทางจิตใจอะไรต่างๆมันก็อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเวลาหายมันก็หายไปด้วยกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องกันเป็นการต่อเนื่องที่สืบเนื่องไปด้วยหมายความมาเมื่อกุศลปรากฏนั้นแสดงว่าอกุศลที่ตรงกันข้ามก็ไม่ปรากฏแล้วการที่สืบเนื่องมาจากกุศลคือความดีงามทั้งหลายก็จะปรากฏเด่นชัดออกไปโดยลาดับเพราะในจุดนี้เราจะพบว่า เพราะศีลสมบูรณ์นั้นแม้ปัญญาจะไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ว่าความเห็นของท่านจะเป็นสมถะทิฏฐิที่เดียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์คนนี้ท่านสาวชนทั้งหลายอย่าลองสังเกตได้ว่าไอ้ความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยบางทีไม่จะเกิดขึ้นจากปัญญา เพราะอะไรเพราะเรายังมีปัญญาไม่มากพอดูตัวอย่างง่ายๆว่าบุญคุณของพ่อแม่เราก็อาจจะอธิบายได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะอะไรมันมีสัมผัสตรงคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เอาก็จริงมันบางจุดที่เราไม่เข้าใจ มันเหมืองกัอธิบายเรื่องอาหารแต่ตัวเองไม่เคยปรุงอาหารไม่เคยรับประทานอาหารเหล่านั้นมันก็คงอธิบายได้แต่ก็จริงนี่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ยากเพราะส่วนหนึ่งเราก็อาศัยความเชื่อเอาเช่นว่าพระอธิบายเรื่องบุญคุณของพ่อแม่แต่ต่างที่ตัวเองก็ไม่เคยเป็นพ่อ แล้วเร า, เ อ, าอะไรมาอธิบายเราก็อธิบายมาจากที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าเคยเป็นพ่อพระเจ้ามีประสบการณ์ตรงแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นการตัดสรู้ด้วยมันการเป็นความถูกต้องสมบูรณ์แต่เราก็อิงอาศัยเราไม่ใช่เป็นความเห็นตรงของเราแต่เราก็ใช้ศรัทธาเคยเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนทรงแสดงเอาไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคุณของพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่พระเจ้าจะแสดงเพียงห้าข้อเท่านั้นปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากอะไรต่ออะไรต่งตางๆก็เปลี่ยนไปมากแต่ภาระหน้าที่เอาก็จริงมันก็อยู่ในกรอบของห้าเรื่องเหล่านั้นเพราะความเห็นชอบบางอย่างจึงเกิดขึ้นจากศรัทธาไม่จะเกิดขึ้นจากปัญญาดุนน เพรนี้พืสังเกตว่าแม้แต่พวกผลพวกอนิสงฆ์ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมันจะมีทั้งสองอย่างคืออย่างหนึ่งเราใช้สต้าเอาอย่างหนึ่งเราก็สัมผัสตรงได้เราก็ใช้ปัญญาที่เป็นสัมผัสได้แต่เรียกว่าภาวนาม่ใชปัญญาได้ ตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงแสดงเรื่องอนิสง์ของทานไว้ว่าคนให้ทานนั้นจะเป็นที่รักของผู้รับทานสัตว์บรุษรสี่คนดีทั้งหลายจะผ่านสมาคมกับบุคคลเหล่า น, นั้นชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของคนเหล่า น, นั้นจะฟุ้งกระจายไปไม่ที่ยอมรับยกย่องของบุคคลใดๆจะเป็นพูกมีเกียรต มีความองอาจกล้าหาญเข้าไปในสมาคมใดก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะเป็นคนที่ไม่มีแพลโดยเห็นว่าพวกผลพอันิสงแนวนี้ถ้าใครก็ตามที่ให้ทานอย่างต่อเนื่องและทำด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆมันก็สัมผัสอยู่แล้วเราก็ใช้ปัญญาได้ทันทีเพราะมันเกิดขึ้นจากภาวนามมยปัญญาคือปัญญาที่ลงมือประพฤติปฏิบัติไป แต่อันในสงบางอย่างเนี่ยเราใช้ปัญญาไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดเห็นทรงสแสดงในค้อต่อไปว่าจะเป็นคนไม่หลงตายคือตายอย่างมีสติตายอย่างสงบตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติตรงนี้เราก็รู้ไม่ได้เพราะเรายังไม่จนจะตายก็ยังไม่ตายตัวลงตรงนี้ก็เชื่อมันเป็นความเห็นชอบที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อ เชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตัว อ, อย่างที่ท่านแสดงถึงความไม่แตกต่างของวันณะทั้งสี่เอาไว้ว่าวันณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจมีความร่ารวยวันละเดียวกันและวันณะอื่นก็จะเข้าเป็นพวกพ้องเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้กันวันณะเหล่านั้น คนนั้นอาจจะเป็นสูตรอ า, าจจะเป็นจันทานอะไรก็ตามแต่ถ้าเขารวยแล้วเนี่ยแม้แต่พราหมณ์ก็ไปรับใช้ก็ได้วันในดก็ตามที่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองต้องอาญาแผ่นดินวันนะ้เหล่านั้นก็ต้องรับโทษเสมอเหมือนกันไม่มีการยกเว้น วันน้าใดก็ตามที่ประพฤทธกระทาในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆหนตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติด้วยกันคือไม่มีการงดเว้นวันน้าใดก็ตามที่ประพฤตธปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลและธรรมใการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นวันนั้นนั้นตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุกติด้วยกันวันน้นใดก็ตามที่ออกปวด ประพปฏิบัติจำรงมั่นคงอยู่ในศีลในยอาจารยระเรียบร้อยสวยงามย่อมเป็นที่เคารพสักการะนับถือของคนทั้งหลายเดียวกันซึ่งตอนนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาพระเจ้าโกรพยะท่านได้ยินคำกล่าวของประมาหากัจจายนะซึ่งความไม่แตกต่างของว่า น, นาสีทั้งห้าข้อทีไว่า พระเจ้าโกรพะยะั้นยืนยันได้สามข้อว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อพระมากระจะยนั ก, ก็ได้คืนวันนั้นใดก็ตามที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยวันณะเดียวกันแต่วันนั้นอื่นจะเข้าเป็นพวกของวัน น, นั้นนั้นวันนั้นใดที่ทำผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองก็จะถูกถูกจะกลุมคุมขังเสมอกัน วันหน้าใดก็ตามที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดำรงมั่นคงอยู่ในศีลวันนันั้นจะรับการเคารพรับถือบูชาสการาจตุคต์ทั้งหลายเสมอกันไอตรงนี้เป็นสัมผัสตรงที่เราเห็นกันและลองสังเกตว่าคนเราพอปฏิบัติ ด, ดีหรือว่าแม้จะมีฐานะดีขึ้นไอสิ่งนี้ปมด้อยถึงที่เป็นเป็นปมด้อยนั้นจะกลายเป็นปมเด่นจนคนยากจนมากๆแล้วก็กลายเป็นเศรษฐี หรือคนฐานะทางครอบครัวต่ำต้อย อ, อ่อนด้อยทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองต่อมาออกบวชประพฤติธปฏิบัติแล้วก็บรรลุผลแห่งธรรมะปฏิบัติสูงสุดคนเหล่านั้นจะชื่นชมในประวัติของท่านก็นมนประวัติต่างๆในอดีตมาแล้วแสดงว่าสิ่หนึกตามปกติแล้วเป็นปมด้อย แต่ว่าเมื่อเขาประสบความสำเร็จในสายนั้นๆผมได้กลายเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่นำมาก่าวขวัญยกย่องชื่นชมกันเศรษฐีบางคนเคยหาของขายต้องเอาคานหาไปวางไว้ปิดทองบูชาให้ลกูกหลานได้เห็นกันเล่าให้คนนัางหลายฟังในความภาคภูมิชื่นชมแล้วคนนัางหลายก็ชื่นชม เพราะตัวตัวอย่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราสัมผัสตรงได้แต่ว่าการทําชั่วแล้วตกนรกทําดีแล้วเกิดสวรรค์เนี่ยพระเจ้ากลัวพระญาท่านมีความเห็นยังไงท่านบอกว่าพระอระหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้อย่างนั้นโยมก็ต้องเชื่อพระอระหันต์ทั้งหลายเพราะท่านบรรลุธรรมโยมไม่ได้บรรลุธรรมเพราะตกลงห้าข้อ เราก็สัมผัสตรงได้สามข้ออีกสองข้อมันก็ใช้ศรัทธานั่นคือธรรมะในแนวปฏิบัติที่ก็ขึ้นมาเป็นแผงไม่ได้ขึ้นมาจะเพราะข้อใดข้อหนึง่นงเยนได้เคยยกตัวอย่างว่าป ก, กุศลและธรรมก็ดีอ ก, กุศลและธรรมก็ดีก็จะดูดพวกเดียวกันขึ้นมา มันเหมือนกับแม่เหล็กที่จะดูดเหล็กถ้าตุชนเดียวกันคือธาตุเดียวกันใเข้ามาแต่ก็ก็ไม่สามารถจะดูดสิ่งอื่นได้แล้วก็ไม่ดูดสิ่งอื่นเพราะในกระบวนการความดีความชั่วของคนแต่เราพูดถึงคนถึงตกอยู่ภายใต้อนาของกิเลสที่สำนวนไทยเราพูดว่าสุรานารีภาชีกิลาบัต มันเป็นการเลื่อนไหลของกระแสกิเลสแต่มันเพิ่มขึ้นโดยดำดับที่จิงมากกว่านั้นนั้นแสดงว่าพอสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิ ด, เ ก, ดเกิดทยอยกันไปได้เรื่อยๆปนในส่วนของความดีก็จะเป็นเช่นนั้นพ้นฐานในการปฏิบัติ เราจึงพบการเน้นเรื่องศรัท ธ, ธาก็ดีเรื่องปัญญา ก, ก็ดีเรื่องสติก็ดีเรื่องความเพียรก็ดีจะเน้นอยู่บ่อยๆเรื่องบาทีก็สร้างไว้รูปฐานใจที่เป็นเมตตากรุณาที่เป็นหิริอุตปะเป็นต้นตรงนี้จะไม่พูดในรายละเอียดเรื่องอื่นแต่จะให้คนสัมผัสไปตัวของตัวเอง ทำนองใก้ๆ ก, ก็ส่งยาให้กินแล้วก็กินไปแล้วต่อไปก็รู้ผลเองไม่ต้องไปให้รายละเอียดอะไรในกรณีของความไม่รู้ทุกข์ซึ่งเคยกล่าวสืบต่อกันมาโดยลำดับนั้นสังเกตว่าความทุกข์ในสองสภาพจะเรียกความทุกข์โดยสภาพคือเกิดแก่ตาย อันนี้มันเป็นกระบวนการของกิเลสหมายความว่าไปที่เรายังมีกิเลสยังมีกรรมเราต้องเกิดพอเกิดก็ต้องแก่ต้องตายมันกดมันเป็นสูตรที่ไม่มีทางจะทําไปอย่างอื่นได้นอกจากไปตัดกระแสของกิเลสเหล่านั้นคือไม่ต้องเกิดและแก่ตายก็ไม่ต้องพูดแต่แม้แต่เจ็บอะไรแต่ไรต่า ง, างๆก็ไม่ต้องพูดอันนี้เป็นการแนวปฏิบัติระดับสูง เพราะในชีวิตประจำวันก็ไม่สอนเอาขนาดนั้นสอนเพียงแต่ให้พยายามทำใจยอมรับความจริงเป็นคติธรรมดาของชีวิตว ม, มันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพลัดพรากสูญเสียป็นในขณะเดีวยวกันเนี่ยการปรับใจยอมรับความจริงเช่นนั้น ที่ท่านเรียกว่าเป็นอภินะปัจจเวคขณะเป็นการพิจารณาหนึ่งๆพิจารณาบ่อยๆคิดบ่อยๆเราจะเห็นว่าการพิจารณาบ่อยๆมันเป็นอะไรมันเป็นปัญญาปัญญาที่บังเกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ขจัดอะไรขจัดโมหะคือความหลงคือความไม่รู้ปัญญาเป็นความรู้มันก็จัดความไม่รู้ ทีนี้พอเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอาการกิเลสลดจะโลคไปทําไมไม่กี่วันเราก็ตายแล้วจะนักคนเหล่านี้จะหยุดความโลคไว้ระดับที่ไม่กระทําชั่วด้วยอํานาจของความโลคแม้จะมีความโลค ก, ก็คุมความโลคได้เป็นนายบังคับใช้ความโลคแล้วควบคุมทิศทางการไหลของความโลค ไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นโกรธอาฆาตพยาบาทก็โกรธไปทำไมก็ไม่กี่วันก็ตายจากกันไปแล้วก็ไม่เก็บความโกรธความอาฆาตพยาบาทเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เขาเกิดเนี่ยมันเหมือนก็นเราส่องไฟต้องการจะหาอะไรสักอย่างเนึน่ง เพราะว่าจริงมันไม่จะเห็นเฉพอสิ่งนั้นมันเห็นสิ่งอื่นด้วยเพราะในจุดตรงนั้นเองความมืดถูกกระจัดออกไปแล้วสิ่งที่อยู่ในที่มืดเป็นอยู่อย่างไงมันก็ปรากฏอย่างนั้นเพราะธรรมะปฏิบัติแนวนี้จะเห็นว่าก็สอนธรรมดาก่อนคือให้พิจารณาแต่มันเพิ่มปัญญาขึ้นไปเพิ่มปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มองจากตัวใหญ่ๆคือตัวเราเองก็คือแก่ตาย แล้วก็มองอะไรก็ตามภาชนะเสื้อผ้าสิ่งของรถเรือนถนนน้นทางอะไรแต่เราก็มองเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันจิตใจก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไปเอาจริงเอาจังอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปก็สามารถจะอยู่ในโลกในสังคมอย่างไม่แบกโลกไม่ยึดมั่นอะไรมากนัก สามารถปล่อยสามารถวางสามารถหาประโยชน์จากอารมณ์ต่างๆได้ในนอนจุดนี้ไม่ใช่ถึงกับหมดกิเลสแต่เป็นการช่วยให้เป็นนายเหนือกิเลสไม่ถูกกิเลสผลักใสเสือกใสไปสู่กระแสของอารมณ์จนถึงก็ต้องทำช่วทําคีตอะไรมันทั้งหมดที่ทรงสอน ในส่วนี่เรียกว่าภาวนาคือส่วนที่เพิ่มกุศลแม้จะไม่ได้ทรงบอกเอาไว้ว่ากิเลสตรงนั้นจะลดไปลดไปลดไปที่จริงแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปจะเป็นสัมผัสตรงสัมผัสทางใจก็เราเองแล้วเราจะรู้ด้วยใจของแต่ละคนวันนี้คือผลที่สืบเนื่องมาจากมีธรรมะอยู่ภายในใจธรรมะเก็จะกิเลสเราดัานออกไป มากบ้างน้อยบ้างตามปริมาณของคุณธรรมที่เกิดขึ้นเพราะผลที่พึงปรารถนาจะโดยวิธีใไดก็ตามมันจะเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันขอเพียงแต่ได้นมธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักที่ทรงแสดงไว้เท่านั้นต่อเตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป